บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่หนึ่งการเจริญสติปัฏฐานคือการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับการดำเนินชีวิตหรือการเป็นอยู่ของมนุษย์มองด้านหนึ่งอาจเห็นว่าเป็นการดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต แต่มองอีกด้านจะเห็นภาพซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งคือทุกคนกำลังสแสวงหาความสุขทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะคนมั่งมีพรั่งพร้อมอยู่แล้วที่กำลังหาทางปรนเรือตนเท่านั้นแม้แต่คนที่กำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดอย่างสุดแรงก็กำลังพยายามทําให้ชีวิตของตนมีความสุขเช่นเดียวกันไม่ว่าจะมองในช่วงกว้าง เช่นการประกอบอาชีพการงานดำเนินกิจการต่างๆก็ตามหรือมองช่วงสั้นทีเข้ามาจนถึงความเป็นอยู่ความเคลื่อนไหวและการกระทําในแต่ละขณะก็ตามการใฝ่หาความสุขจะแฝงอยู่ด้วยเสมอแม้ว่าจะถูกขัดถูกย้อนถูกยั้งด้วยสํานึกทางจริยธรรมเป็นต้นบ้างในบางคราวความจริง การหาความสุขในช่วงกว้างยาวก็ขยายออกไปจากการหาความสุขช่วงสั้นแต่ละขณะนี้เองผู้ปรารถนาความสุขที่แท้จริงเมื่อจะจัดการกับชีวิตของตนจะต้องสนใจและหาทางทําให้ชีวิตที่เป็นอยู่แบบนี้แต่ละขณะมีความสุขได้การพยายามหาความสุขจึงจะมีทางสําเร็จแต่ถ้าชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละขณะนี้ ยังทำให้มีความสุขไม่ได้แล้วการที่จะมีความสุขได้ในช่วงยาวไกลก็เป็นเพียงความหวังอันเลื่อนลอยและคงจะต้องเป็นความหวังอยู่เรื่อยไปตรงข้ามถ้าสามารถทำให้ชีวิตเองล้นล้วนแต่ลักษณะที่กาลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มีความสุขได้แล้วการพยายามหาความสุขก็ประสบความสาเร็จแล้วทันที เมื่อได้ปัจจัยแวดล้อมอื่นอำนวยก็มีแต่จะสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกระบวนการหาความสุขของมนุษย์ซึ่งมองเห็นได้แม้แต่ช่วงสั้นแต่ละขณนะขณนะก็คือเกิดความอยากขึ้นหรือทำความอยากให้เกิดขึ้นแล้วทำการต่างๆเพื่อสนองความอยากนั้นเมื่อได้สนองทำให้ความอยากสงบระงับลง ก็ได้รับความสุขยิ่งเราความอยากให้แรงมากก็ต้องสนองระงับแรงมากและได้รับความสุขมากขึ้นความสุขจึงได้แก่การสนองระงับความอยากถามว่าความอยากคืออะไรไม่ต้องตอบโดยตรงที่ชัดก็คือเมื่อเกิดความอยากขึ้นแล้วจะมีอาการแสดงออกสำคัญสองอย่างคือ 1. ความขาดความร่องไม่มีสิ่งที่อยากไม่ว่าขาดคลนจริงหรือความขาดแคลนที่สร้างขึ้นเองและ 2. ความกระสักกระสายกระวนกระวายหรือถึงกับทุรนทุรายเพราะถูกเหนี่ยวรั้งหรือถูกดึงให้ยืดตึงออกไปจากสภาพที่เป็นอยู่ขณะนั้ น, น, นทาให้สงบนิ่งอยู่ไม่ได้ ต้องดิ้นรนหาทางทำให้ความกระวนกระวายนั้นสงบระ ง, งับไปเมื่อได้สนองความอยากก็กลับเต็มเป็นปกติและทำให้ความร้อนรนกระวนกระวายสงบลงระ ง, งับหมดไปเวลาช่วงนั้นคือการได้รับความสุขแต่ถ้าความอยากไม่ถูกสนองระ ง, งับไม่สงบไปก็เกิดความทุกข์ความขาดแคลน และความกระสับกระส่ายกระวนกระวายนั่นเองเป็นสิ่งบีบคันเป็นความทุกข์ยิ่งอยากมากก็ยิ่งพร่องยิ่งกระวนกระวายมากและความทุกข์ก็ยิ่งแรงมากความจริงก็เริ่มทุกข์ตั้งแต่เริ่มอยากนั่นเองและพอเริ่มอยากก็เริ่มกระวนกระวายโดยในย่านี้จึงพูดได้อีกสำนวนหนึ่งว่า การหาความสุขตามปกติของมนุษย์ก็คือการเร้าความทุกข์ขึ้นแล้วหาทางสงบระงับความทุกข์นั้นลงไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งหรือความสุขก็คือการดับทุกข์ได้นั่นเองยิ่งถูกเล้าให้ทุกข์แรงเมื่อสนองระงับก็ยิ่งรู้สึกได้สุขมากตามปกติระยะเวลาที่เริ่มอยาก เริ่มพร่องกระวนกระวายมีทุกข์แล้วแต่ยังไม่ได้สนองระงับจะยาวนานหรือยาวนานมากส่วนเวลาที่รับการสนองระงับสงบไปได้มักจะสั้นนิดเดียวชีวิตมนุษย์ที่รักคนด้วยสุขทุกข์จึงมากด้วยทุกข์และต้องเอาความหวังเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแต่ที่ร้ายแรงก็คือ มีความอยากมากมายซึ่งไม่ได้รับการสนองระงับและทั้งไม่มีความหวังว่าจะได้รับการสนองระงับจึงมีแต่ความทุกข์ยาวนานและรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อรอไม่ได้หรือไม่มีหวังมนุษย์จำนวนมากก็จะดิ้นรนทุกรูปแบบถ้าสนองระงับทุกข์ไม่ได้ก็ระบายทุกข์นั้นออกไปทำให้เกิดปัญหาเพิ่มทุกข์แก่ตนเอง และแก่ผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเรื่องไม่จบแค่นั้นเมื่ออยากและดันเนินการให้ได้ตามอยากก็ยอมถูกขัดถูกแย้งบ้างหรือแรงกว่านั้นเมื่ออยู่ร่วมกันต่างคนต่างอยากพออยากก็อาจจะถูกแย่งชีวิตที่อยู่ด้วยความอยากจึงต้องมีความขัดใจโกรธเกลียดแค้นเคือง จนถึงเบียดเบียนทำร้ายกันความทุกข์ความเดือดร้อนและปัญห า, ต, าต่างๆที่เกิดจากความโกรธเกลียดทำร้ายกันนั้นก็ควบคุมหรือตามมาด้วยยิ่งอยากมากอยากบ่อยความขัดใจและความทุกข์ก็ยิ่งมากยิ่งบ่อยหมายถึงอยากด้วยตัณหาถ้าอยากแบบชันทะเมื่อถูกขัดอาจกลายเป็นสนุกไป แต่ร้ายยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อฝากความสุขไว้กับความอยากและกระบวนการสนองระ ง, งับความอยากจนเคยชินต่อไปเมื่อไม่มีสิ่งที่อยากไม่พบสิ่งที่น่าอยากหรือสิ่งที่เคยอยากก็หายอยากเสลว้ว่างจากกิจกรรมสนองความอยากหรือไม่รู้จะอยากอะไรก็จะมีแต่ความเบื่อหน่ายงอยเงาซึมและเซ็ง ชีวิตกลายเป็นภาวะที่ทนไม่ได้ไร้ความหมายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งแต่เป็นความทุกข์ที่ไม่มีรสชาติอาจแย่ยิ่งกว่าความทุกข์แบบกระวนกระวายเมื่อยังไม่ได้สนองระ ง, งับความอยากเสียอีกเมื่อมนุษย์ยึดเอาความอยากและสิ่งรนเรอความอยากเป็นสารณะปากความสุขไว้กับกระบวนการสนองความอยาก ปรุงแต่งความอยากและสิ่งสนองปลนเปร์ให้หลากหลายพิสดารยิ่งขึ้นความทุกข์ของมนุษย์ก็จะประนีดลือกซึ้งยิ่งขึ้นจนถึงขั้นที่กล่าวมานี้นี่คือวงจรชีวิตที่มีความทุกข์เป็นพื้นฐานการดำเนินชีวิตอีกแบบหนึ่งซึ่งปราศจากปัญหาอย่างที่กล่าวมาแล้วโดยสิ้นเชิงก็คือ การเป็นอยู่ในเวลาที่เป็นอยู่หรือการมีชีวิตอยู่จริงในเวลานั้นๆขณะนั้นๆคือมีจิตใจรับรู้เต็มตื่นอยู่กับสภาพที่กำลังเป็นอยู่ประสบอยู่หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องทำเป็นปัจจุบันในขณะนั้นๆรู้เข้าใจสิ่งนั้นๆสภาพนั้นๆตามสภาวะของมันและพิจารณาจัดการสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆ ด้วยความรู้เข้าใจตามสภาวะนั้นเรียกสั้นๆว่าเป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะหรือด้วยสติปัญญาตามหลักสติปัฏฐานซึ่งมีหลักการดังได้บรรยายมาแล้วจ่เรียกว่ามีสติตามทันปัจจุบันหรือมีชีวิตอยู่ในขณะปัจจุบันก็ได้ผู้ที่เป็นอยู่ตามหลักการนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอย่อยางแท้จริง คนจำนวนมากไม่ได้มีชีวิตอยู่เพราะชีวิตของเขาอยู่ในอดีตบ้างอยู่ในอนาคตบ้างเมื่อมีชีวิตอยู่เต็มที่ในขณะนั้นๆก็ไม่มีความขาดความร่องและไม่มีความเครียดกระวนกระวายที่เกิดจากถูกความอยากเหนียวหรือดึงให้เป็นเหมือนยางที่ยืดออกไปผู้มีสติอยู่อย่างนี้รับรู้และสวยอารมณ์แต่ละขณะ อย่างเต็มบริบูรณ์เสร็จสิ้นไปทีเดียวจึงมีความสุขเต็มยิมอยู่ในตัวทันทีทุกๆขณะไม่ต้องอาศัยความสุขชนิดที่เกิดจากการสนองระงับความอยากดับทุก์ไปได้คราวหนึ่งคราวหนึ่งคือไม่มีความทุกขเกิดขึ้นที่จะต้องคอยตามดับจึงเรียกง่ายๆว่าความเป็นอยู่อย่างไร้ทุก์ซึ่งหมายถึงการมีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตัวแล้วตลอดเวลา นี่คือการเปลี่ยนจากความเป็นอยู่อย่างมีความทุกข์เป็นพื้นฐานมาเป็นความเป็นอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานหรือมีความร้ายทุกข์เป็นพื้นฐานผู้ที่มีความร้ายทุกข์หรือความสุขอย่างนี้เป็นพื้นฐานของชีวิตแล้วเมื่อต้องการสวยความสุขอย่างใดๆที่อยู่ในวิสัยของตนก็สวยความสุขนั้นๆอย่างได้รับความสุขเต็มที่ ถ้ายังเป็นผู้หาความสุขจากความอยากอยู่บ้างแม้ในเวลาที่ไม่มีสิ่งสนองความอยากหรือไม่อาสนองความอยากก็ไม่ประสบปัญหาเพราะมีความสุขแบบไร้ทุกนี้ยืนพื้นเป็นหลักประกันอยู่นอกจากนั้นด้วยเหตุที่ไม่มีเงินปมแห่งทุกเป็นปัญหาขัดทวงเหนี่ยวรั้งอยู่ภายในเขาจึงเป็นผู้พร้อมที่จะทำกิจและจัดการปัญหาต่างๆภายนอก ไม่ว่าของบุคคลหรือของสังคมยังได้ผลดีเต็มบริบูรณ์แห่งความสามารถของเขาว่าดูหลักวิชาที่กล่าวมานี้คือความหมายของนิโรธที่แปลกันมาว่าความดับทุกข์ซึ่งจะต้องเข้าใจลึกลงไปให้ถูกต้องว่าเป็นการทำให้ไม่มีทุกข์ที่จะต้องดับหรือทำให้เกิดภาวะไร้ทุกข์ มิใช่เป็นเพียงการกําจัดทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนี้รับกันกับบันทึกที่หของบทที่สว่าด้วยปัญหาการแปลคำว่านิโรธซึ่งแสดงให้เห็นว่าความหมายของนิโรธหรือนิโรธะตามที่ว่าในคำภีแต่เดิมคือการไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่ดับทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว